ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องผู้หญิงสารพัดพิษกุณาละชาดกโดยสมณะซาบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัด น, นี้ ฉะนั้นใช่ไหมเมื่อจะแสดงเหตุที่ตนเคยได้เห็นมาแล้วจึงกล่าวอีกว่าหมายถึงว่าคือเล่าเรื่องนั้นให้พญานกปุลนมุขะฟังแล้วก็นะ่ะพวกพญาแล้งพวกอะไรต่ออะไรที่มาฟังกันเยอะแยะไปหมดนะ่ะบอกเราเคยเห็นมาแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องนั้นเท่านั้นยังมีเรื่องอื่นอีกเนี่ยแล้วก็จะเริ่มเล่าเรื่องที่สองว่า ในอดีตกาลยังมีนางสมณีนุ่งขาวรูปหนึ่งชื่อปัญจตะปัญจะนะจริงๆปัญจะเนี่ยปัญจะที่แปลว่าห้าเนี่ยปัญจะตะปาวีอันนี้เป็นชื่อของผู้หญิงคนนี้อันนี้เขาใช้ว่าเป็นนางสมณีนุ่งขาวแม่สมณะอันนี้สมณี เนี่ยทมาว่าไม่เคยได้ยินนะนะมีเนี่ยอ่านเจอเนี่ยใช้สมณีนุ่งขาวซะด้วยนะไม่ใช่เดี๋ยวใครเลยไปเข้าใจว่าสมณีนี่ก็คือภิกษุณีไม่ใช่นะภิกษุณีก็ภิกษุณีนะใช้ภิกษุคือผู้ชายภิกษุณีคือผู้หญิงภิกษุหรือภิกขุเนี่ย แต่ในนี้ไม่รู้ทำไมเขาใช้สมานีกัไม่รู้นุ่งขาวซะด้วยปากว่าชื่อปัญจตะปาวีอาศัยอยู่ในเมืองพาราสีนางได้ทำบรรณสาราอาศัยอยู่ในป่าช้าถือพรดอบอดอาหารสี่วันจึงฉันครั้งหนึ่งโอ้โหคือบำเพ็ญพูดง่ายว่าบำเพ็ญอะไรอ่ะตะบะนะบำเพ็ญโดย 4วันถึงจะกินอาหารครั้งหนึ่งกินมือน้อนึงอะ่ะสี่วันถึงจะกินครั้งหนึ่งสี่วันกินครั้งหนึ่งโอโ้โหไม่ง่ายนะปรากฏว่าเพราะมีข้อประพฤติข้อปฏิบัติแบบนี้คนก็เคารพศรัทธาวันจนเกียรติคุณปรากฏดุจเป็นพระจันทร์และพระอาทิตย์ถึงกับพวกชาวนะครพราราณสีจะไอหรือจะจาม หรือพลาดพังหกล้มอะไรก็ตามก็จะเป็นเสียงนมัสการนางปัญจนางปัญจตะปาวีชาวบ้านเนี่ยเหมือนกับว่ามีอะไรอ่ะมีนางปัญจตะปาวีเนี่ยอยู่ในหัวใจเลยนะเพราะฉะนั้นพอจะไปมีเพศมีภัยหรือว่าพลาดพังอะไรไปปรากฏว่าร้องเรียกชื่อนางปัญจตะปาวีเลย หมายถึงว่าเหมือนเคารบอะ่ะในเวลาต่อมาครั้งหนึ่งเป็นช่วงนักขัตฤกิกวันแรกพวกช่างทองก็ชักชวนพักพวกไปสร้างปรามขึ้นหลังหนึ่งแล้วจัดหาของต่างๆเป็นต้นว่าปลาเนื้อสุราของหอมนั่งล้อมกันจะเสพสุราเวลานั้นเองช่างทองคนหนึ่งทํากระติกเล่าหลนทําําตกลงไปอะ่ะ นะไอ้ขวดเหล้าหรืออะไรพวกนี้หลนก็ตกใจจึงเปล่งเสียงดังออกมาว่าปัญจตาปาวี <c oughs> คือหมายความว่าขนาดพวกลูกช่างทองนี่แมยังโอโหอุทานออกมาเป็นชื่อนางปัญจตาปาวีเลยเสร็จแลแ้วตอนนี้ในที่นั้น่ะมีชายฉลาดคนหนึ่งอยู่ในที่นั้นจึงพูดขึ้นว่าท่านนี่โง่เขานัก ชนไหนจึงนอบน้อมไหว้ผู้หญิงซึ่งมีจิตกลับกรอกเล่าแหมผู้ชายคนนี้พูดง่ายว่าไม่ให้ค่าของผู้หญิงเลยถือว่าโอ้ผู้หญิงนี่ไม่ได้เรื่องนะกลับกรอกถุยง่ายใจง่ายอะไรเงี้ยนะกลับกรอกช่างทองนั้นก็ตอบว่าดูก่อนสหายเ อ, อ๋ยท่านอย่าพูดอย่างนี้นะอย่าทํากรรมที่จะนําไปสู่นรกนะ คือพูดง่ายว่าอารานีเขาอุทานชื่อนางปัญจตาปาวีออกมาใช่ไหมเสร็จแล้วนี่บอกว่าเอยเรื่องอะไรอ่ะพูดง่ายผู้หญิงกลับกองจะตายไปทําไมถึงได้ไปให้เกียรติให้ความเคารพกับผู้หญิงใช่ไหมก็ไม่ยอมบอกว่าบอกว่านเนี่ยเนี่ยท่านท่านพูดไม่ดีอย่างนี้เดี๋ยวท่านตกนรกนะเนี่ยนางปัญจตาปาวีนี่พูดง่ายว่าเขาเคารพนะเป็นที่เคารพของผู้คนนะ บุรุษผู้ฉลาดจึงตอบว่าท่านนี้งมงายหาปัญญามิได้มาพนันกันพันหนึ่งหรือไม่ว่าต่อไปนี้อีกเจ็ดวันเราจะพานางปัญจตาปาวีมาให้แต่งตัวอย่างงดงามแล้วพามานนั่งในที่นี้ได้ให้ถือกระติกเหล้ารินให้เรากินกันด้วยเพราะขึ้นชื่อว่ามาตุคามแล้ว ที่จะมีศีลยั่งยืนนั้นไม่มีเลยโอ้โหผู้ชายคนนี้พูดง่ายว่าดูหมิ่นผู้หญิงมากเลยประโยคที่สําคัญในที่นี้ก็คือว่าผู้หญิงไม่มีคําว่าจะถือศีลจะยั่งยืนนี่ดูหมิ่นอย่างหนักเลยนะช่างทองคนนั้นได้ฟังคําท้าอย่างนั้นก็ตอบว่าเป็นไปไม่ได้คือไม่เชื่อ นะไม่เชื่อว่าจะทําได้จึงพ น, นันเดิมพันกับบุรุษผู้ฉลาดคนนั้นนะในที่สุดการพ น, นัน ก, ก็เลยเกิดขึ้นเป็นการท้าทายกันนะระหว่างชายผู้ฉลาดกับพวกลูกช่างทองทั้งหลายบุรุษนั้นจึงประกาศเรื่องการพ น, นันนี้ให้ช่างทองอื่นๆได้รับทราบครั้นลุ่งขึ้นเวลาเช้า ชายผู้ฉลาดนั้นกระพรอมเป็นดาบทเข้าไปอยู่ในป่าช้าแล้วก็ทำท่าเลยนะนั่งนมัส ก, การพระอาทิตย์อยู่ใกล้ๆกับที่อยู่ของนางปัญจตปบาวีเมื่อนางปัญจตปบาวีเข้าไปเที่ยวพิขาจารในพระนครหมายถึงว่าไปเหมือนกับพระไปบิณฑบาตเนี่ยคำว่าพิขาจารนี้ก็คือไปเที่ยวขออาหารนั่นเอง พอเวลากลับมาได้เห็นบุรุษนั้นแล้วก็คิดว่าดาบตรูปนี้เห็นทีจะมีฤทธิ์มากเราอยู่เพียงริมป่าช้าคือนางบรรจตาปาวีเนี่ยอาศัยอยู่ที่ข้างป่าช้าแต่ส่วนชายผู้ฉลาดที่ปลอมบินดาบทนี่เข้าไปอยู่นู่นเลยลึกเลยให้ไปอยู่ตรงกลางป่าช้าเลยนี่เขาอยู่ถึงกลางป่าช้า เห็นทีจะมีสัพประเบือคือเห็น ท, ทีว่าจะมีธรรมะสัพประเบือเนี่ยอยู่เป็นแน่จําเราจะเข้าไปทําความเคารพคือพูดง่ายว่าโอ้โหคิดแล้วเนี่ยโอ้โหสงสัยนะน่าจะถ้าใช้สำนวนคือน่าจะมีศีลเขค่งน่าที่จะแบบว่าปฏิบัติทําเข้มข้นแน่ๆ น, น่าถึงได้โอ้โหไปอยู่กลางป่าช้าเลยอันนี้ก็เป็นวิชาทิ่ถีเนี่ย จริงๆการปฏิบัติเนี่ยไม่จำเป็นหรอกต้องไปอยู่กลางป่าชา้าต้องไปอะไรนอกจากบางครัง้งบางค า, า, าวที่จะฝึกฝนบ้างในเรื่องของการปรงอสุภาษะหรือในเรื่องของความกลัวผีกลัวปีศาจกลัววิญญาณอะไรต่างๆก็ไปฝึกเพื่อที่จะให้ดูจิตแล้วว่าเออเรายังจะมีอุปทานมีความกลัวอย่างนั้นไหมจริงๆก็ก็เป็นการฝึกบ้างบางครั้งบางคาวเท่านั้นเอง นะจะไม่ใช่ไปอยู่ตลอดหรือว่าไปอาศัยเป็นที่พักอยู่อย่างนั้นเะันเนี่ยนางปัญจตาปาวีก็เลยเข้าใจผิดอะนะก็คิดว่าคนทําอย่างนั้นได้โอ้โหหน้าที่จะเก่งมากก็เลยกะว่าจะเข้าไปทําความเคารพคิดแล้วนางก็เข้าไปไหว้แต่ดาบทปรมแก้งดิ้งเฉยเสียไม่ได้เหลียวแลแล้วก็ไม่ทักทายนี่ ชาดกเรื่องนี้นะเรื่องที่พญานกกุณระเล่าอยู่เนี่ยเรื่องนี้จะสอนใจผู้หญิงมากเลยสอนตรงที่เรียกว่าให้รู้จักเล่เหลี่ยมของผู้ชายบ้างว่าผู้ชายนี่เล่เหลี่ยมร้ายกาจขนาดไหนนี่ตอนนี้ดาบอดปลอมนี่พอนางปัญจตาปาวีเข้ามาทำความเคารพเข้ามาไหว้ เฉยทำเป็นไม่สนใจไม่ใยดีอะไรเลยนะพูดง่ายว่าอะไรอะ่ะผู้หญิงนี่ไม่เกี่ยวไม่เขาถือว่าเป็นอะไรเป็นเหมือนกับศัตรูของพรมจันทร์นะทำเป็นไม่สนใจนะก็ไม่สนเลยไม่เหลียวเลยไม่แลนะวันวันที่หนึ่งนะวันแรกพอนางปัญจตาปารีผ่านไปนี่ไม่สนใจครั้นวันที่สอง ดาบทปอมก็ทำอย่างนั้นอีกคือทำเป็นเฉยอีกนางปัญจตะปาวีจะเข้ามาทำเป็นกราบไหว่อย่างไรดาบ ท, ที่ทำเฉยไม่สนใจพอถึงวันที่สามเมื่อนางปัญจตาปาวีไหว้แล้วดาบทปอมทำเป็นก้มหน้าพูดว่าไปเถอะคือพูดง่ายว่าทำเป็นก้มหน้าหมายถึงว่าไหว้มาใช่ไหมกหมหม็หมายถึงว่าเหมือนกันรับอะนะ รู้แล้วไปได้แล้วพูดแค่นี้เองไม่ยอมพูดอะไรมากกว่านี้เลยนี่วันที่สามครั้นวันที่สี่พอนางปัญญาตาปาวีเข้ามาทำความเคารพปั๊บคราวนี้จึงทักทายปราัยว่าท่านไม่ลำบากด้วยพิ ก, พกขาหารดอกรือถามแล้วคราวนี้วันที่สี่แล้วนี่ย่างเข้ามาวันที่สี่แล้วนะเขากำหนดไว้เจ็ดวันใช่ไหมนี่วันที่สี่นะ ถึงได้ถามทักขึ้นมาแสดงว่าใจเย็นมากเลยนะไม่ใจร้อนเลยโอโ้โหค่อยๆวางแผนเนี่ยทีละขัน้นทีละขัน้นทีละขัน้นเรียกว่าให้ผู้หญิงนี่ตายใจเลยนะชนิดว่าผู้หญิงคิดว่านี่เป็นดาบทที่สงบสํารวมที่มีศีลเข่งมีตะบะทมได้ดีเยี่ยมอะไรอย่างนี้นางปัญญาตาปาวีดีใจมาก ที่ได้รับคำปฏิสันฐานถามแค่นั้นน่แล้วก็หยุดไม่ไม่พูดไม่ถามอะไรต่อเลยวันที่สคันวันที่หพอนางปัจจตรปราวีมาทาความเคารพเสร็จผ่านนั้นเป็นที่ต้องผ่านอยู่แล้วพอผ่านมาก็มากราบไหว้พอกราบไหว้เสร็จใช่ไหมคราวนี้นางได้รับคำปฏิสันฐานมากขึ้นอีกจึงต้อง นั่งอยู่หน่อยหนึ่งแล้วจึงลุกขึ้นไปคือคือพอถามมาใช่ไหมนางปัญจตาปราวีก็ก็ตอบก็คุยด้วยหน่อยหนึ่งแต่ดาบดนี่ก็ก็ถามคุยด้วยนิดเดียวไม่คุยมากนะพอนางปัญจตาปราวีมานั่งได้นิดแป๊บเดียวเองก็ต้องไปแหละอ่าเพราะว่าท่านไม่ยอมคุยต่ออ่าดาบดปลอมนี่นั่นวันที่ห้าแล้วนะคุณคิดดูสิวันที่ห้ายังทําแค่นี้คั้นวันที่หก พอนางมานั่งไหว้ดาบทปอมก็ถามว่าน้องหญิงวันนี้เสียงขับร้องเอิบกระเลิกในเมืองพระนศีทําอะไรกันหนอพูดง่ายจะยินเสียงกรองเสียงละครเสียงอะไรต่ออะไรนะเ ข, เขามีงานนักขัดตระเลิกมีอะไรกันอย่างเงี้ยทาเป็นได้ยินเสียงพวกนี้แล้วก็ทําเป็นไม่รู้เรื่องทั้งทั้งนี้จริงรู้แต่แกล้งเป็นไม่รู้เรื่องบอกเอ้นั่นมันเสียงอะไรนะนะั่นอกระทึกคือโครม นางปัญจตาปาวีตอบว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่รู้ดอกหรือเขาเล่นมหโหระพกันกึกกล้องในพระนคร น, นั่นเป็นเสียงนักเล่นมหโหระพดาบทปอมทำเป็นไม่รู้ว่าว่านั่นเป็นเสียงอะไรแก้งถามเรื่องอื่นต่อๆไปอีกว่าเจ้ามาประพฤติพรตอยู่ในที่นี้เว้นอาหารเท่าไหร่คือคือว่ากินอาหารยังไงนั่นเอง นางจึงตอบว่าเว้นสี่วันจึงฉันครั้งหนึ่งะนะก็ตอบตามจริงอะ่ะแล้วตอนนี้พอตอบไปว่าเว้นสี่วันเนี่ยนางปัญจตาปารีตอบนะเว้นสี่วันเนี่ยจึงจะกินสักครั้งหนึ่งแล้วก็เลยย้อนถามว่าก็พระผู้เป็นเจ้าเว้นเท่าไรเล่าดาบทปรอมตอบว่าเว้นเจ็ดวันหมายความว่าไง เวันกินครั้งหนึ่งจะฉันอาหารครั้งหนึ่งเจ็วันโอ้โหเป็นไงหูเหนือกันเยอะเลยนะแต่จริงๆแล้วเป็นดาบทปอมอ่ะจริงๆแล้วก็แอบไปกินแอบไปกินแต่มันทำไปนั่งเเค้งอยู่จริงแล้วกินทุกวันแต่เวลาคุยตอบกับนางปัญจตาปาวีเนี่ยบอกเจ็วันกินครั้งหนึ่งแล้วดาบทปอมก็ถามต่อไปว่า น้องหญิงเจ้าบวชมากี่ปีแล้วนางตอบว่าสิบสองปีแล้วก็ถามว่าพระผู้เป็นเจ้าเล่าบวชมากี่ปีหกปีแล้วอ่าอันนี้ตอบน้อยกว่าไม่ตอบว่าบวชมากกว่าเออแปลกไหมแปลกไหมทาไมเวลาพูดถึงตาบะนี่พูดว่าเข้มข้นกว่าแต่พอบวชพูดบวชน้อยกว่าบวชน้อยกับกันครึ่งหนึ่ง แต่พอเวลาเรื่องเว้นการกินอาหารบอกบอกเท่าตัวใช่ไหมผู้หญิงกินสี่วันผู้ชายเว้นเจดวันนะแต่ถ้าบวชมาผู้หญิงบวชตั้งสิบสองปีอันนี้ผู้ชายบอกว่าบวชแค่หปีเออแล้วดาบวตรปลอมก็ถามต่อไปว่าเจ้าได้บรรลุธรรมเครื่องละงับแล้วหรือ พูดง่ายวันเนี้ยบวชมาตั้งนานน่ะพูงง้ง่ายๆสบสอปีอะไม่รู้ทำไหมยังท่นนางปฏิเสธว่าไม่ได้บรรลุแล้วนางก็ย้อนถามว่าว่าแล้วท่านละ่ะบรรลุยังเอ่อท่านบรรลุแล้วหรือยังใช่ไหมดาบทปอมก็ตอบว่ายังไม่บรรลุเหมือนกันเออไม่ได้ตอบว่าบรรลุแล้วนะแต่ตอบว่ายังไม่บรรลุเหมือนกันจากนั้นก็ลำพัง ลำพึงลำพันเนี่ยนาดาบทปอมเนี่ลำพึงลำพันเป็นเชิงชักชวนให้เกิดความต้องการดังนี้ว่าน้องหญิงเอย๋ยเราทั้งสองนี้ไม่ได้รับความสุขทั้งสองอย่างคือทั้งทางการมาโภกีสำหรับผู้ครองเลือนที่เป็นสุขด้วยทรัพย์สมบัติก็ไม่ได้นะอันนี้คือคือทางโลกโลกก็ไม่ได้นะ่าจะแต่งงานมีครอบครัว ีทรัพย์สินเงินทองเนี่ยทางโลกก็ไม่ได้เพราะว่ามาบวชตั้งนานเนี่ยอ่าทางโลกก็ไม่ได้ก็ต้องสูญเสียไปส่วนตอนนี้ทางเนคขมมะสุกเล่านะเครื่องระงับทางใจก็ไม่เกิดขึ้นไฟนรลกมันจะร้อนเฉพาะเราสองคนเท่านั้นล่ะหรือ <c oughs> คือผู้งานนี่กำลัง <c oughs> กลังอะไรละใช้ศิลปะอันเลวร้าย ในการที่จะพูดในการที่จะหลอกนางปัญญตาปาวีแล้วเพราะว่า น, นี่มันเขา้เขาวันที่หกแล้วนะทางโลกก็ไม่ได้เสร็จทางธรรมก็ดูที่เนี่ยบวชมาตั้งสิบปีไม่เห็นบรรลุธรรมอะไรเลยไม่เห็นมีความสุขอะไรที่ทำให้พ้นทุกข์พ้นนรกอะไรไปได้เลยพูดง่ายว่ากาลังจะบอกว่าบวชไปทำไมเนี่ยแล้วเราสองคนพูดง่ายแบบเนี่ยจะต้องมาทุกข์มาทรมานทางโลกไม่ได้ทางธรรมก็ไม่ได้ เอ็มเราสองคนเท่านั้นหรือเปล่าเนี่ยที่เป็นอย่างเงี้ยถ้าเราจากประพฤติอย่างมหาชนคนหมู่มากเขาทํากันเล่าข้าเห็นทีว่าจะประพฤติดพศทนทุก์เช่นนี้อยู่อีกไม่ได้แล้วจะต้องศึกเป็นคฤารือหัดเสียทีทรัพย์สมบัติของแม่ก็ยังพอมีอยู่บ้างพอจะก่อร่างสร้างตัวหนะ้าต่อไปได้หวยง่ายๆนี่ย นี่นคือสิ่งที่ต้องการจะพูดนไอไ อ, อตั้งแต่วันที่หนึ่งสสามสี่ห้ามาเนี่ยนะจนถึงวันที่6เนี่ยนะอ่อยเหยือมาทั้งนั้นนะพูดง่ายภาษาจากนี้อ่อยเหยือมาเรื่อยจนถึงตอนนี้นะพูดประเด็นสําคัญแล้วว่าวมาเนี่ยศึกเธอศึกสเธ อ, ะเอนะมาเป็นข้ารื้อหัดดีกว่าสมบัติเนี่ยแม่ก็ยังมีแม่ยังพอมีสมบัติให้อยู่ใช่ไหมเนี่ยยังพอ ก่ร่างสร้างตัวด้วยกันได้นะเอาแล้วเริ่มเริมเริ่มป้อนความคิดใหม่ให้กับนางปัญจตาปาวีแล้วนางปัญจตาปาวีได้ฟังคําเช่นนั้นก็คล้อยตามเกิดกําหนัดรักไข่ขึ้นจึงเปิดเผยความในใจออกมาว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเรื่องนี้ช่างหัวอกเดียวกันจริงๆแต่จนใจที่ ไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครถ้าท่านจะไม่ทอกทิ้งข้าพเจ้าแล้วไซข้าพเจ้าจะยอมเป็นน้องสาวศึกไปอยู่รับใช้ท่านหว่วยง่ายว่าเขาจับจุดผู้หญิงได้ผู้หญิงเนี่ยถ้าบวชมาตั้งนานหนาะถามมากผลก็ไม่ได้ <c oughs> แล้วทนทุกทรมานสี่วันกินค้างหนึ่งเงี้ยสี่วันฉันสักค้างหนึ่งบรรลุธรรมก็ไม่บรรลุความสุข ในการปฏิบัติก็ไม่มีพูดง่ายต้องต้องอดทนต้องทุกข์ทรมานอยู่เขาจับจุดอ่อนตรงนี้ได้แล้วนะเขาก็ป้อนเข้าไปเลยแล้ ว, ลวจะจะบวชปทมายบวชให้ทุกข์อ่ะจริงๆเขาบวชเพื่ออะไรพ้นทุกข์ใช่ไหมอันนี้บวชให้ทุกข์บวชไปทำไ ม, ำไ ม, ำไมตั้งสิบสองปีแล้วว่าเขาเองเนี่ยเขา บำเพ็ญเข้มข้นกว่าหมายถึงดาบตปลอมนะบำเพ็ญเข้มข้นกว่าโอ้โหเจวันอดค้างหนึ่งจริงๆเขาต้องบรรลุก่อนถูกไหมถ้าเขาปฏิบัติเข้มข้นแต่ปรากฏว่านี่เขาปฏิบัติไปตั้งหปีแล้วเขาก็บอกว่ายังไม่เห็นบรรลุเลยเพราะฉะนั้นทําไปก็พูดง่ายว่าทรมานตัวเองเปล่าๆทางโลกก็ไม่ได้ทางธรรมก็ไม่ได้เพราะนี่เนี่ยเป็นการป้อนความคิดคนที่ไม่ทันในเหตุผล เหตุผลแบบแบบหลอกหลอกพวกเนี้ยใครไม่เท่าทันนะคุณคิดไปคิดไปเออมันก็ถูกต้องเหมือนกันนะไอที่เขาพูดอะ่ะใช่ไหมเออมันก็ไม่ผิดเหมือนกันอะ่ะเพราะนั้นก็เลยตกหลุมพรางจนได้